คุณเป็นสีเป็นไงบ้างคุณเป็นสีนอ่าถูกต้องแล้วแต่การปฏิบัติก็ไม่ใช่จงใจไม่เอานะบางทีก็บางคนปฏิบัติแล้วจงใจจับอะไรว่างๆหรือจงใจทิ้งทุกอย่างเราไม่ได้จงใจครับถ้าจิตมันเกิดสัญญาแล้วมันทิ้งของมันเอง อันนั้นจะทิ้งจริงๆแต่ถ้าจงใจทิ้งนี่จะแกล้งแกล้งจริงเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าท่านหลงไปอยู่ในป่าอดอาหารเปียกฝนตั้งสามวันสามคืนแล้วหลบเข้าอยู่ในถ้อท่านปอดบวมท่านคิดว่าท่านต้องตายแล้วท่านก็เลยมานั่งดูใจตัวเองไปว่าเอห่วงอันนี้ไหมก็ไม่ห่วงอันนี้ไหมไม่ห่วงอะไรสักอย่างหนึ่ง จิตไม่เอาอะไรเลยรู้สึกสบายใจแต่มาท่านเห็นจิตท่านมันยังมีความปิดขัดอะไรอยู่นิดหนึ่งในสุดดูไปดูไปก็เข้าใจอ๋อไปยึดความไม่มีอะไรไอ้น่้นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแต่จะเอาความไม่มีอะไรนันะ่นะองการปฏิบัติเราไม่ได้เจตนาทำให้ว่างๆแต่ถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งของจิตจิตหยุดความปรุงแต่งก็ว่างของเขาเอง เริ่มทำแล้วมันเป็นสีเนี่ยมันกลับเข้าไปใหม่วันนี้ดีคุณเป็นสีรู้สึกไหมจิตมันเบิกบานขึ้นมาแต่ถ้าเราพอเรารู้ทันใจใจมันวางแล้วมันจะเบิกบานในขณนะนั้นน่ะจะไม่มีอะไรความเป็นตัวตนจะไม่มีหรอกนี่ถ้าสติปัญญาเราเกิดย้อนเฉลียวใจย้อนมาเห็นกายเห็นใจเนี่ยเห็นไม่มีความเป็นตัวตนยความเป็นตัวตนเกิดตอนหลงคิดเท่านั้นน่ะ ถ้าไม่ลงไปคิดก็ไม่มีตัวตนอะไรเนเริ่มทําแล้วคุณเป็นสีดูออกไหมเนี่ยถ้ารู้ทันตรงนี้นะไม่มีปัญหารู้สึกไม้มใจมันตื่นเต็มที่ขึ้นมาหน่อยนะทําได้ดีนะปฏิบัติได้ดีที่จริงคนถ้ามีความเข้าใจถูกมีความรู้ถูกความเข้าใจถูกจะมีสัมมาทิฏฐิมีเพียงแต่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเราไม่ไปทําอะไร ที่ขัดขวางจิตใจเราไปคอยควบคุมบังคับใจเราเนี่ยจิตใจมันจะมีแนวโน้มไหลเอียงไปสู่นิพพานโดยตัวของมันเองจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติที่พร้อมจะไปนิพพานถ้ามีความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านอยู่ริมแม่น้ำคงคาไปชี้ให้พระดูท่อนไม้มีท่อนไมใ้ใหญ่ๆลอยอยู่ในน้า ท่านก็บอกว่าน้ําในแม่น้ำํำคงคาเนี่ยไหลไปลงทะเลจิต ก, ก็มีธรรมชาติที่จะโน้มเอียงไปสู่มรรคผลนิพพานกระแสน้ํานี่ก็คือตัวสมาธิฏฐินั่นเองแต่ว่าไม่ใช่ไม้ทุกท่อนที่จะไปถึงทะเลได้ไม้บางท่อนก็ติดฝั่งฝั่งนี้บางท่อนไปติดฝั่งโน้นบางท่อนขึ้นมาเคย์ตื้นบางท่อนจมลงไป มันท่อนหมุนวนอยู่กับที่เป็นท่อนผูกอยู่ข้างในแล้วก็จมลงไปผูกพังไปมีหลายแบบฉันบอกถ้าจิตของเราไม่เหมือนในท่อนไม้ที่ไปติดต้นติดนี่เนี่ยมันจะไปสู่นิพพานถ้าเราเข้าใจถูกนะรู้ถูกเข้าใจถูกว่าเราต้องรู้กายรู้ใจตัวเองตามที่มันเป็นเรียนรู้กายรู้ใจถ้าจับหลักนี้ได้จิตใจเป็นพร้อมจะนิพพานนะแต่ถ้าติดฝัง ฝั่งนี้ท่านหมายถึงอย า, ายตนะภายในก็ยึดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยฝั่งโน้นก็เรียกอยายตนะภายนอกและสิ่งอื่นๆที่แวดล้อมตัวเราอยู่การที่จมลงไปจมลงไปเนี่ยท่านบอกว่าคือนันทิราคะความเผลอเพลินหลายคนที่มีชีวิตที่เผลดเพลินรู้สึกชีวิตนี่มีความสุขนะไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนต้องรีบปฏิบัติอะไรเลยทุกวันนี้ก็มีความสุขอยู่แล้ว คนทั้งโลกเขาก็อยู่กันได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ก็เพลิดเพลินไปพวกนี้เรียกว่ามีความเผลือเปลินพวกนี้ก็ไปไม่รอดเพราะไม่ยอมไปไหนเลยอีกพวกหนึ่งขึ้นมาเคยฝังนะเคยฝังก็คือพวกที่มีอัสมิมานะกูเก่งกูแน่หรือยอย่างนี้นะกูตลอดเวลาไม่ยอกปฏิบัติหรอกนะรู้สึกกูเก่งแล้วไม่ต้องเรียนอะไรก็รู้รู้ทุกอย่างอีกพวกหนึ่งถูกน้ามน ลอยไปแล้วสูกน้ำวนท่านเปรียบเหมือนกรรมอคุณทั้งห้าแต่จิตไม่กรรมาคุณทั้งห้ามันมวนเดี๋ยวจิตมันก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วนมาทางหูเดี๋ยววนไปที่จมูกทางลิ้นทางกายน้ําหมุนอยู่อย่างนี้ยหมุนติ้วๆอยู่ทั้งวันใจเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ทางอริยสต์ทั้งหลายอยู่ด้วยความเพลิดเพลินพอใจใจก็หลุดพ้นไม่ได้อีกพวกหนึ่งปู่อยู่ข้างในคือพวกไม่มีศีมีทำอะไรก็แต่พุจจริต พวนี้ก็มรรู้อะไรไม่ได้เน่ยถ้าเราไม่ทําสิ่งที่ผิดเหล่านี้นะือไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจตัวเองนะไม่ถือตัวไม่หลงประมาทมัวเมาไม่ทําผิดศีลธรรมใจจะมีแนวโน้มไปสู่นิพพานไม่ต้องทําอะไรหรอกเขานิพพานของเขาเองไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตเขาบรรลุของเขาเองเมื่อเขามีปัญญาแก่รอบคอ ปัญญาก็เกิดจากการที่เราคยมีสติคอยรู้กายรู้ใจครูบาอาจารย์ผู้เฒ่าองหนึ่งตอนนี้ท่านเป็นเสาหลักของวัดป่าเคยสอนหลวงพ่อไว้สมัยก่อนนานแล้วการปฏิบัติจริงๆไม่มีอะไรมากมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันเท่านี้เองอย่าให้เกินนี้ออกไปนะมีเท่านี้เองถ้าเรารู้กายรู้ใจเรามากเข้ามากเข้าวันหนึ่งปัญญามันแจ้งกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรา นี่ได้พระโสดาบันนะต่อมาเฝ้ารู้เฝ้าดูกายดูใจต่อไปใจจะค่อยๆคลายความยึดถือออกไปมันจะคลายความยึดถือร่างกายก่อนคลายความยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายไปก่อนคลายความยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสพทถะพักไปก่อนมันจะไม่ไปติด ส, สิ่งเหล่านี้จิตจะตั้งมั่นเนรียนดวงทรงตัวอยู่นะั่นเป็นภูมิที่สามนะภูมิของพระนักธรร ละความยึดถือในกายในตาหูจมูกลิ้นกายได้สุดท้ายเนี่ยจิตมันจะรวมลงที่จิตอันเดียวเมื่อจิตรวมลงที่จิตอันเดียวแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติจะรู้สึกมีความสุขที่สุดเลยจะเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวสุขนะจิตผู้รู้เนี่ยมีความสุขส่วนจิตผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเป็นจิตที่มีความทุกข์ก็จะประมาทละคิดว่าจบทางปฏิบัติแล้วก็เ จ, เจอความสุขละแท้จริงยังยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่ของจริง เราพระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์เรากลับยังเห็นว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตถ้าไม่อยากไม่ยึดเป็นสุขถ้ามีความอยากมีความยึดถึงจะทุกข์อันนี้ยังไม่ตรงที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ถ้าสติปัญญาเราแก่รอบเราช่างสังเกตจริงๆไม่นิ่งนอนใจคิดว่าสิ้นสุดตามปฏิบัติค่อยเฝ้ารู้อยู่ที่ใจขอ ง, งเราไปเรื่อยเราจะเห็นบางท่านเห็นว่ามันเป็นอนิจจังนะ ที่ครูบาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเคยเล่าให้ฟังบางท่านท่านเห็นอนิจจังท่านเห็นว่าตัวผู้รู้เนี่ยผ่องใสได้ก็อย่างเศร้าหมองได้บังคับมันไม่ได้หรอกผ่องใสได้ก็เศร้าหมองได้เศ้าหมองได้ก็ผ่องใสได้อีกนี่มันไม่เที่ยงพอรู้ว่าจิตผู้รู้ไม่เที่ยงเนี่ยท่านก็ปล่อยวางท่านที่มีศรัทธาแก่กล้านะเพียงเห็นความไม่เที่ยงท่านก็ยอมวางแล้วส่วนพวกที่สมาธิกล้าเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงยังไม่ยอมวางเพราะว่าอะไรพอสมาธิกล้าเนี่ยมันดูจะเที่ยง มันเห็นแต่เที่ยงนะไม่ค่อยเห็นไม่เที่ยงหรอกมันตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนถ้าเมื่อไร่สติปัญญาแก่รอบคอเนี่ยมันจะเห็นจิตเป็นตัวทุกข์มันทุกข์จริงๆทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนเลยนะทุกข์มากทุกข์เหมือนจะตายในขนาดนั้นเลยแต่ถ้ายอมนะยอมตายตรงนั้นก็จะผ่านได้จิตพอวันมันทุกเต็มที่แล้วมันจะสลัดทริงนะมันว่าง มันรู้ความจริงแล้วจิตนี้ไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างแต่จิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพอมันรู้อย่างนี้มันวางท่านเหล่านี้หลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์อีกขั้นกลุ่มอีกขั้นหนึ่งขั้นเห็นอนัตตาทั้นพวกนี้ปัญญากล้าอุรบาจารย์บางองค์ท่านวางเฉยๆเลยท่านเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราแล้วยอมคืนยอมคืนอันนี้ท่านปัญญาแก่กล้าท่านหน้าบางนะคนทั่วๆไปจะหน้าหนา รู้ว่าไปยืมเขามานะเกาไม่ยอมคืนเขา่รู้ว่าไม่ใช่ของตัวเองก็ไม่ยอมคืนนะอย่างถ้าโสดาบันเนี่ยรู้แล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่คืนหรอกจะเอาไว้เมืนะ่อท่าสติปัญญาแก่รอบลงมาโอ้มันไม่ใช่ตัวดีเลยทั้งกายทั้งใจตัวทุกข์ล้วนๆเห็นเป็นตัวทุกข์ล้วนๆถึงจะยอมวางการที่เห็นทุกข์นัน่นแหะถึงจะถึงธรรมพอเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยความริ้นรน ที่จะให้กายนี้มีความสุขให้ใจนี้มีความสุขความดิ้นรนที่จะให้กายพ้นทุกข์ให้ใจพ้นทุกข์มันหมดไปเลยนะมันหมดไปเลยเพราะเรารู้แล้วว่ามันทุกข์ล้วนๆไม่มีทางเลือกนะไม่ใช่สุขบ้างทุกข์บ้างถ้าตราบใดยังเห็นว่าสุขบ้างทุกข์บ้างนะมันจะเลือกเอาสุขมันจะหนีทุกข์มันจะสู้ไม่เลิกนะมันจะหวงแหนแต่ถ้าเมื่อไหร่สติปัญญาแก่รอบเข้ามาจริงๆเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆนี่แหละคราวนี้ยอมวาง หมดความวิ่นรนปัญหาจะดับโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งนะสมูทไทจะถูกละโดยอัตโนมัติทันทีที่สมูทไทถูกละไปเนี่ยจิตจะเข้าถึงความสงบสุขมันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่ความสุขของขันละนะเพราะขันห้าคือทั้งกายทั้งใจนี้ทุกล้วนๆไปซะแล้วพอจิตมันหมดความดิ่นรนเนี่ยมันเข้าถึงสันติสุขที่หมดความวิ่นรนคือนิพพาน น, นั่นเองนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่ง นิพพานคือสันติสุขนั่นเองสันติสุขที่เกิดจากจิตใจที่หมดความดิ้นรนหมดความหิวโหยเงั้นการที่เราคอยรู้กายรู้ใจนี่แหละเรียกว่ามัรครู้กายรู้ใจจนกระทั่งเข้าใจรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจแจม่มแจ้งเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งความดิ้นรนของจิตจะหมดไปนิโรธจะปรากฏนี่เรียกว่าการเจริญมัคงั้นการปฏิบัติถ้าออกนอกแนวทางนี้เรียกว่าออกนอกคําสอนพระพุทธเจ้าล้ว สิ่งที่เกินจากนี้ล้วนแต่เป็นรายละเอียดติกย่อยอาจารย์แต่ละสำนักน่าจะจะสร้างรายละเอียดของการปฏิบัติที่เป็นอุบายขึ้นมาส่วนหลักแท้ๆมีเท่านี้แหละที่เป็นหลักสําคัญจริงๆคือหลักของอริยสัจ ต, ตอนเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่เข้าใจนะไปอ่านพระไตรปิฎกตอนช่วงสามเดือนก่อนปรินิพพานในพระไตรปิฎกบอกเลยว่าเวลาท่านเทศเนี่ยนะท่านเทศอริยสัจเนืองๆ เ, เทศอริยสัจเป็นส่วนใหญ่ แต่เดิมไม่เข้าใจว่าทำไมท่านเทศอริยสัจ ท, ท่านสรุปรวบยอดนัหนนะึ่งะถ้าเข้าใจอริยสัจจะเข้าใจสัมมาทั้งหมดล่ะย้นอริยสัจเป็นเรื่องสําคัญนะต้องค่อยๆเรียนอริยสัจเนี่ยแปลได้หลายอย่างแปลว่าความจริงที่ทําให้คนเป็นพระอริยะก็ได้อันนี้เป็นคําอริยสัจในเบื้องต้นพอเราเข้าใจอริยสัจเบื้องต้นรู้ว่าตัวเราไม่มีอันนี้ยังไม่รู้อริยสัจแจมแจ้งนะ ได้เบื้องต้นได้แค่โสดาบันแต่พรารู้อริยสัจแจ่มแจ้งเนี่ยคือสัจจะที่ทําให้คนเป็นพระอริยเจ้าสัจจะที่ทําให้คนเป็นพระอรหันต์นะครับแล้วก็เป็นสัจจะที่พระอรหันต์ไปรู้เข้าอริยสัจเป็นธรรมที่ลึกมากนะลึกซึ้งน่าสนใจนะค่อยๆเรียนเรียนอริยสัจไม่ได้เรียนที่อื่นเรียนที่ตัวทุกข์นั่นแหละ เรียนที่ตัวกายกับใจของเรานี้ขันห้านี่ตรวจทุกให้รู้กายให้รู้ใจอะไรออกนอกแนวทางนี้ก็คืออ้อมคอมลนะเมื่อสองวันก่อนมีพรามาเล่าให้ฟังท่านไปอยู่สำนักแห่งหนึ่งนะอาจารย์บอกเป็นพระอริยะชั้นสูงเลยนะหนุ่มหนุ่มหน้าเป็นพระอริยะชั้นสูงลูกปิดครูบาอาจารย์บอกท่านสอนอะไรล่ะแหมอยู่สำนักน่าจะดนะีบอกตอนให้ไ ป, ปรลมมาโลก บอกวิธีไปพรห ม, มโลกก็คือนั่งแผ่เมตตานะแผ่เมตตาไปเรื่อยๆถึงพวกพระพรหมพอพระพรหมได้รับความเมตตาพระพรหมจะรักเรามากเลยพระพรหมจะช่วยกันดึงจิตเราไปพรห ม, มโลกโอ้ยตายแล้วเนาะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนนะครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยสอนอะไรที่เกินคําสอนพระพุทธเจ้านะอย่าฟังมากนะักนะจับหลักให้แม่นๆเรียนให้แม่นๆไ ม, ไม่เสียเวลา หลายคนเกียวดูโน้นดูนี่นะทำสมาธิจิตใจสงบขึ้นมาไม่สงบจริงด้วยสงบแล้วสายๆนะสายๆเราออกไปรู้ไปเห็นไปอะไรต่ออะไรโอ้หไปสุนมโลกนั้นมันช้าที่สุดเลยเดี๋ยวพระศรีอานมาตรัสรู้แล้วมันนึกถึงเราผู้ไปสุนมโลกนะท่านจะอุทานบอกคิปหายแล้วนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าเราอุทานเมื่อนึกถึง อาราลนะ า, าดาบทอุทกดาบทเนะี่ยอุทานคลิบหายนะในตัวมาโลกใครรู้นะใครรู้มาฟังที่หลวงพ่อไม่มีอะไรมากนะหลวงพ่ออันแรกเลยบอกให้รู้กายรู้ใจต้องรู้กายต้องรู้ใจไม่ใช่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดอันที่หนึ่งอันที่สองเครื่องมือในการรู้กายรู้ใจเนะี่ยก็มีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญา หลวงพ่อก็จะบอกสอว่าทําังไงสติถึงจะเกิดเราสั่งสติให้เกิดไม่ได้ทําไงจะสมาธิจะเกิดเราสั่งให้สมาธิเกิดไม่ได้ทําไงปัญญาจะเกิดเราสั่งให้ปัญญาเกิดไม่ได้ต้องมีเหตุนะสติถึงจะเกิดต้องมีเหตุสมาธิถึงจะเกิดต้องมีเหตุปัญญาถึงจะเกิดเหตุของมันก็ไม่ง่ายๆนะไม่มีอะไรเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องเบื้องต้นจะเกิดสติพอสติเกิดนี่จิตใจจะตั้งมั่นขึ้นมา มีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิไม่เหมือนกันมิจฉาสมาธิเนี่ยจิตใจจะไปตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อื่นๆส่วนสัมมาสมาธิจิตใจตั้งมั่นในการรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตัวเองความต่างมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเคลิมนะเห็นเทวดาเห็นอะไรได้สมาธิเหมือนกันแต่นั้นเป็นมิจฉาสมาธิ แต่ถ้าเรานั่งสมาธิหรือเราเดินอยู่แท้ๆนี่แหละเรากินข้าวอยู่นี่แหละนะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาใจมันตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจตัวเองได้โดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้นะจิตใจโปร่งร่วงเบาคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานเนะี่จิตมีสมาส ม, ส, นะสมาธินั้นสมาสมาธินี่นั่งอยู่ก็มีเดินอยู่ก็มีนอนอยู่ก็มีนะกินข้าวอาบน้ำํำนะขับถ่ายอะไรนะี่มีสมาสมาธิได้ตลอดเลย ที่ต้องค่อยๆศึกษานะเรื่องที่ต้องเรียนเรื่องสติสติเกิดจากการที่จิตจาสภาวะได้ต้องหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเช่นหัดรู้ร่างกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆ <t> รู้สึกขึ้นมาร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอย่างนี้ค่อยเรียกรู้ถูกนะถ้าไปเพ่งกายก็เรียกว่ารู้ไม่ถูก รู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจรู้เท้าเพ่งเท้ารู้ท้องเพ่งท้องเนี่ยรู้อินทยาบทสีเพ่งมันทั้งตัวเลยนี่ก็ไม่ใช่นะหลวงพ่อพูดตามใจชอบนะตามใจหลวงพ่อเป็นหน้าที่ของพวกเราฟังให้รู้เรื่องเอาเองแต่หลวงพ่อจะบอกความลับให้อันหนึ่งทำไมหลวงพ่อไม่สนใจเรื่องการพูดของหลวงพ่อนะเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจธรรมะได้ด้วยการฟังหรอกหลวงพ่อพูดไปอย่างนั้นแหละ เพราะว่าถ้าไม่อาศัยคําพูดมันก็ถ่ายทอดสภาวะไม่ได้แต่คําพูดทั้งหมดนั่นแหละของหลอกลวงคือสมมุติบรรัญญัติทั้งหมดเลยไม่มีใครหรอกที่เข้าใจธรรมะด้วยการฟังไม่มีใครหรอกเข้าใจธรรมะได้ด้วยการคิดเอาอาศัยการฟังเพื่อจะได้รู้ว่าทํายังไงสติถึงจะเกิดทํายังไงจะรู้กายถูกต้องทำยังไงจะรู้จิตถูกต้องขั้นแรกเลยก็ต้องมีกรอ การปฏิบัติต้องรู้กายรู้ใจรู้อย่งไงรู้ตามความเป็นจริงรู้แล้วเห็นอะไรรู้แล้วเห็นไตรลักเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นเห็นแล้วปล่อยวางได้ปล่อยวางแล้วเป็นไงปล่อยวางแล้วค้นทุกข์ได้แล้วมีกรอบหลักๆนี้ก่อนตัดจากนั้นนะทํายังไงมันจะรู้ได้บ่อยก็ต้องทําสติให้เกิดบ่อยๆวิธีให้สติเกิดก็คือคอยรู้สภาวะไปนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปน เห็นร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งมันนอนนะร่างกายหายใจเข้าหายใจออกร่างกายมันคองมันยุบนะร่างกายยกเ้าย่งางเท้าดูมไปอย่าใจลอยไปแล้วก็อย่าไปเพ่งอยู่ที่กายนะหัดดูจิตดูใจก็ง่ายๆตื่นนอนมาก็เริ่มดูได้แลนะวแค่ตื่นนอนมานึกได้ว่าวันจันทร์จิตใจแห้งแล้งนะ่วันจันทร์ถ้าวันศุกร์จิตใจสดชื่นเนี่ยนะรู้อย่างเนี้ยรู้เข้าไป แจะกินข้าวเจอของอร่อยชอบใจเจอของไม่อร่อยไม่พอใจนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็รู้ความสกเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงพอใจไม่พอใจเป็นยังไงโรคหลุดลงเป็นไงนะคอยรู้คอยดูไปเรื่อยไม่ต้องสนใจหรอกว่าจะดูไปถึงเมื่อไหร่ดูไปเรื่อยๆแล้วสติมันจะเกิดขึ้นมาเองหนะลวงพ่อกล้าท้าเลยนะคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อจํานวนมากเลยมาถึงจุดหนึ่งจะมารายงานหลวงพ่อเลยว่าสติเกิดเอง แต่เดิมพยายามให้สติเกิดไม่มีอะไรหรอกนอกจากใจที่แข็งกระด้างใจที่อึดอัดขัดข้องในวันที่สติเกิดเองเนี่จะมารายงานในจิตโปร่งโล่งเบานะรู้เลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ต้องคิดด้วยนะเห็นทันทีเลยกายไม่ใช่เราเห็นเลยจิตไม่เที่ยงจิตเป็นของบังคับไม่ได้นะมันจะสุขหรือมันจะทุกข์ก็เลือกไม่ได้มันจะดีหรือมันจะชั่วก็เลือกไม่ได้มันจะไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เลือกไม่ได้ เรเกิดทางใจก็เลือกไม่ได้ว่าจะสุ ข, จ ะ, สขจะทุกข์จะดีจะชั่วมีแต่ของเลือกไม่ได้ทั้งหมดเลยแล้วสภาวะทั้งหมดอยู่ชั่วขณะอีกเข้ารู้ลงไปอย่างนี้ต่อไปก็เห็นในจิตก็ไม่ใช่เราเหมือนกันนะจิตก็ของเกิดเกิดดับดับดูของจริงนะดูของจริงจนใจมันยอมรับความจริงใจิตใจก็เข้าถึงธรรมะนั่งคิดเอาใจไม่ยอมรับความจริงหรอกเพรามันจะคิดเข้าข้างตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนนะคิดว่าเป็นผ้าละหันนะหันไปหันมา วันก่อนมีคนหนึ่งมาบอกหลวงพ่อเนี่ยไปฟังหลวงพ่อที่ศาลาลุงคินภาวนามานานแล้วฟังแล้วเลยบรรลุพระอรหันต์ไปแล้วทาลายผู้รู้ไปหมดแล้วหลวงพ่อตกใจปับบ ป, ป, ปัรู้สึกตัวไว้ถ้ามีมสติก่อนหนะ้าแล้วค่อยเป็นพระอรหันต์ที่หลังอย่าอยากเป็นนะปฏิบัติเนี่ยอย่าหวังผล ปฏิบัตินะให้รักที่จะปฏิบัติอย่าอยากได้ผลรักจะปฏิบัติเรื่องมีฉันทะอยากได้ผลเรื่องมีสันหามีฉันทะแล้ววิริยะเกิดเองอย่าหลวงพ่อไปหาหลวงพู ด, ดูลหลวงพ่อแต่เดิมมีสันหาที่จะปฏิบัตินะตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่ยไปเรียนจากท่านพหลีวัณโสการามเรียนอยู่ ไม่นานนะก็มาหัดหายใจนะนะั่นแหละไปเรียนแนละ้วก็มาหัดหายใจเลยท่านสอนยังไงก็ทําตามไปได้วยได้ได้สมถะที่ท่านสิ้นแต่ ก, ก่อนเราขึ้นนีปัาสนาไม่เป็นทุกวันทําสมถะนะทําไปเรื่อยเลยทําไปมันอยากทํานะไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรด้วยซ้ำไปมันเด็กอะอยากทําพอใจที่จะทำทำไปเรื่อยเรื่อยจนมาเจอหลวงปู่ดูลนั่นสอนบอกให้ดูจิตตัวเอง้าจิตก็น่าสนใจอีกแล้ว มันน่าเรียนน่ารู้น่าดูนะทําไมแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยน่าดูทําไงเราจะบังคับมันได้นาะเนี่ยคอยสังเกตคอยรู้คอยดูไปเรื่อยๆนะไม่ได้สนใจหรอกนะลืมไปคําว่ามรรคนิพพานแนละ้วลืมหมดเลยนะใจถึงถึงปฏิบัตินะ่ะอย่าอยากได้ผลทําเหตุไปเรื่อยทําเหตุเรียกว่ออพอใจมีความสุขนะมีความสุขที่ได้รู้กายมีความสุขที่ได้รู้ใจมันมีความสุขจริงๆนะถ้าสติเกิดอนะ่ะถ้าสติไม่เกิดมันจะมีแต่ความทุกข์ รู้กายก็ทุกข์นะรู้จิตก็ทุกข์แข็งแข็งคืดคืดนะบางคนทุกข์มากคอเซตหลังเซสนะบางคนสมองเบลอสมองตอไปเลยนะเ<อ>พ่งมากไปนันถ้าปฏิบัติถูกต้องจะมีแต่ความสุขนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีความสุขเพราะสติมันเกิดแล้วจิตใจมีความสุขรัติเกิดแล้วทําไมสุขอนะขสัติเกิดแล้วจิตจะเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลนั้นมีความสุขจิตที่มีความสุข์นันมนอากรุณและจิต รู้สึกไหมฟังหลวงพ่อพอหลวงพ่อหยุพดพูดปุ๊บหนีไปคิดหมดเลยรู้สึกไหมสังเกตไหมใจของเราซึมซึมนะสังเกตไหมใจตอนนี้เริ่มไม่ซึมนะละหรือบอกไหมหลวงพ่อต้องสอนแบบเหมาเหมาแล้วนะเพราะว่าไล่ทีละคนไม่ไหวเราเรี่ยบบอกทนะีละชั้นทําใจกล่อมกล่อมไปให้เผลอเผนะลอไปก่อนนะแล้วค่อยบอกทีละชั้นเลยนะรู้สึกไหมใจวักแวกวกแวกไปทั่วทั่วไปๆๆนะ คนใหญ่วักแว๊กวัแว๊กไปหัดรู้สภาวะนะไม่ต้องทำอย่างอื่นหัดรู้ไปเรื่อยๆือสติเกิดจนสติเกิดสมาธิเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดคุณหมอโยเป็นไงคุณหมอเอือคืออาจารย์ไปหมดย่างตึกนานเนะื้ออย่างดีนะได้สมบัติอาจารย์บ้าง รูบาจารย์ที่คุณหมอไปอยู่กับท่านท่านก็ดีที่สุดลนะก็หมดจดงดงามที่สุดละองค์หนึ่งท่านบ่นเรื่อยตอนหลังๆทนไม่ชับเจริญปัญญาชอบทำแต่สมาธินั่งกับเพิ่มง้อแงง้อแ ง, ง, ง, งนะเป็นมิจฉาสมาธิซะอย่างี้นะหรือเที่ยวเห็นโน่นเห็นนี่อะไรเงี้ยวันๆคุยกันแต่เรื่องนิมิตหนึ่งท่านบน่นมะันต้องเจริญปัญญานะ เราแต่สมบุออกมารู้กายต้องออกมารู้ใจถ้ารู้กายจเห็นในกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยกายนี้เป็นก้อนธาตุดูลงไปเป็นทุกข์บ้างเป็นธาตุบ้างนะส่วนดูเป็นปฏิปูลเป็นอาสุพัสอะไรนี่เป็นเบื้องต้นเป็นสมถะดูแล้วเมื่อข่มหลักะแต่สติตัวจริงเกิดจะเห็นในกายนี้เป็นทุกข์นะกายนี้เป็นธาตุจะเห็นนี้ ตัวทุกข์มันมีสภาวะรองรับตัว่านมีสภาวะรองรับคุณหมอทำอะไรดูออกไหมนะลงไปนะลงไปเราก็รู้ทันนะอย่าไปบังคับมันนะคุณหมอเห็นไหมมีผิดสองอันหนึ่งอะ่ะที่สมาพุดนักหนานะถ้าไม่เปิดก็บังคับไว้หลวงพ่อมนตรีท่านวันนั้นไปคุยกับท่านนะไปหาท่านท่านบอกนะักปฏิบัติเนี้ยนะมันมีผิดสองอย่าง ไม่หนักไปก็เบาไปอยู่จิตสองอย่างถ้าสํานวนหลวงพ่อคือถ้าไม่เผลอไปก็บังคับไว้ถ้าสํานวนพระพุทธเจ้านะถ้าไม่เป็นกามสุขสาริการุโยกก็อักตะกิลมัทฐานโยกเมื่อไรรู้สึกที่ผิดเมื่อนั้นจะถูกอัตนโนมัตนะิรู้ว่าใจเราเผลอไปแล้วริมเนื้อริมตัวแล้วสุดตรงไปข้างเผลอแล้วก็รู้ตัวตื่นขึ้นมารู้ว่าเผลอดีนะคุณหมอ รู้ว่าเพ่งไม่ค่อยหลุดออกมาหรอกมันจะเพ่งต่อไปได้เรื่อยๆแต่ถ้ารู้ว่าเผลมอมะหลุดเลยมีพระองค์หนึ่งท่านภาวนานเด็นเดียวนี่ท่านเพ่งมากท่านก็ลาครูบาอาจารย์มาอาจารย์ท่านอนุ ญ, ญาตมามาเสร็จแล้วท่านก็มาบอกเนี่ยท่านเพ่งมากจนนทท่่่่าาาากกลลจจะะตตยแสมมองงดูไปโเพริงเพ่งอย่างรุนแรง แตให้ท่านแก้เพ่งนียากนะเพราะเพ่งนี้แก้อยะตัมมาก็เลยไม่แก้ท่านอ่ะชวนท่านคุยพอท่านคุยท่านคุยท่านเผลอไปพอท่านเผลอท่านก็เลิกเพ่งก็ชี้ให้ท่านดูแน่เผลอแล้วท่านก็เออเผลอแล้วไม่กลับมาเพ่งปั๊บเลยเพ่งอีกแล้วแล้วก็ชวนคุยบีอีกคุยคุยพอท่านเผลอนะมันก็เลิกเพ่งก็ชี้ให้ท่านดูแน่เผลออีกแล้วท่านก็กลับมาเพ่งครั้งที่สองนะ มาชี้ท่านครั้งที่สามนะบอกแน่เลยอีกแล้วท่านลุกรวดเรนะตกก็ยี่โครมเลยไปละไปละรู้เรื่องละจิตมันอย่างนี้มันแพบแพบแพบนี่มันอย่างนี้ใช่ไม่ใช่บอกใช่ไปละก <c oughs> ูบาอาจารย์ท่านก็โทรศัพท์มาเรียกเลยนะกล <c oughs> ับมาได้แล้วมานวดได้แล้ว <c oughs> ต้องนั่งรถอีกคืนหนึ่งนะถึงจะไปถึงเลยจะไปนวดท่าน เพราะนันเท่งนี่แก่ยากถ้ามันเท่งหนักๆแล้วมันไม่ยอมเลิกเท่งนะคุณหมอลืมมันไปเลยเพราเผลอๆแล้วรู้ว่าเผลอพอรู้ว่าเผลอปุ๊บมันจะกลับมาเพ่งะพอพรู้ว่าเผลอมันจะกลับมาเพ่งถ้าสติเราไวพอเราจะเห็นตรงที่จิตจะขยับเข้าไปเพ่งจะขยับตอนที่มันจะเข้าไปเพ่งพอเห็นตรงนี้ปั๊บมันจะไม่เข้าละ ถ้าเราเห็นจนชำนาญนะจิตเผลอไปพอรู้ทันปุ๊บมันจะกลับมาเพ่งเห็นตรงที่ลอยต่อที่จเข้าไปเพ่งเห็นตรงเนี้ปั๊บเนี่ยยังไม่เพ่งนะเห็นซ้ําไปสองสามทีวันหลังก็เลิกเพ้งไปเองเพราะมันรู้แล้วว่าเพ่งนี่มันเข้าช่องไหนนะส่งจิตเข้าไปในช่องที่คุ้นเคยนี่เองคุณหมอใจลอยแล้วทราบไหมวันนี้มีทั้งโยทั้งหมอโยเอาโยส่งกันบ้าน เดี๋ยวคนก็ว่าม้วนนี้ทำไมไม่มีชื่อโยบอกทุกม้วนจะต้องมีชื่อโยพราตรงไหนไม่มีชื่อโยอยเอาออกบ่างงดีแล้วใช้ได้แล้ ว, ลวไม่ต้องพยายามมากนะเดี๋ยวเสียใช้ได้แล้วดีและหมอติยังไง อ, อ้าวตื่นเต้นเหรอเมื่อกี้เปลือบบ้าง เออตอนนี้ตื่นเส้นสับสูกตับถูกได้หนึ่งคะแนนไม่ให้คะแนนง่ายนะห<ม>ลวงพ่อไม่ห้ามเลยกระทั่งเผลอนะเผลอเรารู้ว่าเผลอก็ได้หนึ่งคะแนนเหมือนกันอ<ม>จิตเป็นกูศซรู้ว่าเป็นกูศซก็ได้หนึ่งคะแนนเท่ากันแหละ<ม>เพราะอะไรเพราะทั้งกูโซแแรกกูโซนรู้แต่สอนธรรมะเราอย่างเข้าเทียมกันเราไม่ได้ฝึกเอาดีนะเราไม่ได้ฝึกเอาสูกเราไม่ได้ฝึกเอาสงบเราฝึกให้เห็นความจริง นะกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะคุณ ม, โมอโยทรงสังเกตสิคนเราชอบฝึกจิตให้เที่ยงถ้าฝึกให้จิตเป็นสุขชอบฝึกที่จะบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจเพาะฉะน้นที่ลงมือปฏิบัติส่วนใหญ่นะฝืนไตรักทั้งหมดเลยนะเมื่อเราปฏิบัติแบบฝืนไตรักษเนี่ยไม่มีวันสำเร็จหรอกอย่างมากก็เพ่งไว้บังคับไม่ได้ชั่วคราวนะ พอหมดแรงเท่งมันก็ไม่เที่ยงขึ้นใหม่ล้วมันก็เป็นทุกข์ขึ้นใหกแล้วะเพราะตัวจริงของมันไม่เที่ยงตัวจริงของมันเป็นทุกข์ตัวจริงของมันเป็นอนัตตาเหมือนอย่างเครื่องบินเนี่ยธรรมชาติของมันคืออยู่กับดินมันบินขึ้นไปมันจะบินเก่งแค่ไหนมันก็ต้องลงดินนะเราะงั้นมันต้องกลับไปสู่ธรรมชาติเดิมของมันฝืนก็ฝืนได้ชั่วคราวขึ้นไปบินเนี่ยบินชั่วคราวเรือไปลอยน้ํานะก็ลอยชั่วคราวนะธรรมชาติมันต้องจม ธรรมชาติของกายของใจเราก็คือเป็นใจรักเราพยายามไปทำสมาธิไปดึงไว้นะก็ลอยได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็หล่นลงมางั้นไม่มีใครหลอกที่ทำจิตที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงถาวรได้ไม่มีใครทำจิตซึ่งเป็นตัวทุกข์ให้เป็นตัวสุขได้นะไม่มีใครบังคับจิตที่เป็นอนัตตาให้บังคับได้เราเข้าเรียนรู้กายเรียนรู้จิตของเราเพื่อให้เห็นความจริง ว่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ใจยอมรับความจริงนี้ใจจะหมดการดิ้นรนเลยถ้ายัางคิดว่ามันเที่ยงมันเป็นสุขหรือมันบังคับได้มันจะพยายามบังคับพยายามวิ่งหาความสุขไม่เลด้หรอกก็จะหาความสุขไม่ได้จริตเราอย่าไปสําคัญมั่นหมายว่าพระอรหันต์เนี่ยคือคนที่ฝึกจนจิตเที่ยงจิตเป็นสุขจิตบังคับได้นะแอดจริงคือท่านรู้ความจริงความจริงก็คือตัวธรรมะนั่นเอง ท่านรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจแล้วปล่อยวางความยึดถือได้แล้วท่านเข้าไปถึงความสุขอีกชนิดหนึ่งที่ไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจละอันนั้นที่ท่านเข้าถึงความสุขที่เที่ยงได้ที่เป็นสุขได้เพราะสิ่งนั้นไม่ใช่กายไม่ใช่ใจสิ่งนั้นคือ น, นิพพานนะเป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขแต่ไม่มีเจ้าของเป็นอนัตตานะไม่มีเจ้าของส่งกันบ้านหน่อย เอรู้สึกไหมเรามองเหมือนคนมุงนอกมองเข้ามาแนละ้วมองแบบคนมุงนอกมองนะไม่ใช่มองแบบเทคไซส์แล้วไม่ใช่มองแบบตัวเราแล้วแต่จะเห็นว่ากายนเดินอยู่นะเหมือนดูคนอื่นเดินะกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเหมือ น, นคนอื่นดนะูคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่ร่างกายก็เคลื่อนไหวไปคนนึงดูอยู่จิตใจก็เคลื่อนไหวไปไม่เข้าไปเทคไซส์มัน ที่ทําอยู่ตอนนี้ดีอยู่แล้วนะทําอย่างเนี้ยทาต่อไปกนะีตา้าว่าไงหลวงพ่อไม่แจกแจงรายละเอียดเดี๋ยวคิดมากเดี๋ยวเสียนะทําต่อไปมันมันวิ่งเข้ามาแล้วอึดอัดไหม เออนะอย่างนี้นใช้ได้คือแท้จริงก็คือจิตเนี่ยเกิดดับจิตที่หลงไปเป็นอกุศลจิตที่รู้ว่าหลงเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วถัดจากนั้นจิตอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้นะเกิดอกุศลเช่นเผลอไปคิดคิดครั้งใหม่นะหรือกลัวจะเผลอไปนั่งเพ่งเอาไวนะ้หรือว่าเกิดความรู้สึกตัวตามมาอีกก็ได้เห็นไหมว่าเป็นของบังคับไม่ได้ของเลือกไม่ได้จิตเนี่ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเลือกไม่ได้ เรียนเพื่อให้เห็นว่ามันเลือกไม่ได้นะไม่ใช่เรียนเพื่อจะเอามาเป็นตัวเราของเราให้ได้ดีนะดีแล้วเห็นร่างกายเหมือนเห็นคนอื่นรู้สึกไหมตอนที่เราเห็นกายเมันเห็นคนอื่นเนี่ยใจไม่มีน้ําหนักไม่มีน้ําหนักเลยเพราะอะไรเพราะไม่ได้ไปยึดถือกายไว้นะถ้าเห็นจิตใจเหมือนเห็นจิตใจคนอื่นนะใจก็ไม่มีน้ําหนักเพาไม่ได้ไปยึดถือจิตใจไว้ภาวนาดีนะทําไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะ รีบเดี๋ยวหลวงพ่อชมบก อ, อนาดีแล้วรีบเปไปเลยค่อยๆดูไปกีตา้าก็ดีล้วไอกีตา้ารู้สึกไหมตอนเนี้ใจเป็นยังไงแต่ฟุ้งต้านหรือว่าไหมแต่ฟุ้งต้านก็รู้ไปนะไม่ใช่เรียนเพื่อให้ไม่ฟู้งต้านนะจะเรียนเพื่อเห็นว่าใจจะฟู้งต้านห้ามมันไม่ได้ใจหนีไปคิดทราบไหม ใจจะไปทางใจคือนีไปคิดห้ามไม่ได้ใจจะไปทางตาเลือกก็ไม่ได้จะไปทางหูก็เลือกไม่ได้มันไตของมันเองการที่เราคอยรู้กายรู้ใจก็เพื่อให้เห็นความจริงคือไตรลักษณ์นี้เท่านั้นเมื่อเห็นกายเห็นใจลงเป็นไตรลักษแล้วเขาะจะปล่อยวางของเขาเองนะความพ้นทุกข์ก็อยู่ที่ตรงปล่อยวางนั่นแหละอย่างที่ทําอยู่นะพอเราไม่ได้ยึดกายมันก็ว่างใช่ไหมเบาๆไม่มีอะไรไม่มีน้ําหนัก ไม่ยึดติดใจมันก็ไม่มีน้ำหนักนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นต่อไปพอมันตัดเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องรักษาละมันจะว่างอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยมีแต่ความสุขล้วนๆเลยว่าไงอู๊ อ, อยังบังคับไหมอูดเออดีที่รู้นะอู๊ดเรียนรู้สิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆไม่ต้องแก้นะ ได้ถึงถึงแต่เดิมเราจะรักดีเกียรดชั่วรักสุขเกลียดทุกข์อะไรเงี้ยมันจะดิน้นเราเรียนไม่ใช่เพื่อเอาเดีเอาสุขอะไรหรอกเรียเพื่อให้เห็นว่าสภาวะทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ใจลอยทราบไม้มใจลอยดีแล้วหนีไปอีกแล้วทราบไหมมันเที่ย ว, ม, ยวมันเที่ยวไปทางไห น, นเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกาใจ เนื้นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีชื่อในตริยัติเรียกโจรรรปที่โคจรที่เที่ยวไปไอวุฒิ ด, ดูบอกไหมตอนนี้บังคับรู้สึกไม่ใจตอนนี้ไม่ปลอดปล่อนยนะเราอยงบังคับมันอยู่ น้าจะไปเอาไว้รู้เท่าที่เขาเป็นนะรู้แล้วจบลงที่รู้ไม่ไปแทรกแสงกเอาวุจยางพยายามเห็นมันไปเที่ยวเลยไม่ชอบมันอยากให้มันไปเที่ยวมันไปดึงเอาไว้อย่ารักดีรักนะคนโบราณบอกรักดีหามจั่วหนักนะจั่วไม่ใช่เบาเบานี่ตารานี้ใครแบกจั่วได้แนตะ่หนูข้อนับถือเลย ต้องกล้านะาาคือตอนนี้เรามีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งเราเห็นแล้วว่ามันแน่นแน่นมันหนักหักแน่นๆ่นอันนี้สะท้อนให้เราเห็นได้เลยว่าจิตเราแอบไปยึ์ไปทำงานอะไรที่อย่างต้องมีความอยากต้องมีความยึดแน่นอนจิตนะ ด, ดวงนี้ต้องเป็นอกูสนแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลามันหนักหนักแน่นแ่นขึ้นมามรู้รู้ันไปเล่น รู้แบบคนวงนอกผู้ไม่มีส่วนได้เสีย<น>เห็นอีตาคนนี้มันแน่นอยู่วิจัยคนนี้มันแน่นอยู่ดูอย่างนี้ น, นดูเราง่ายเนาะนใช่เดี๋ยวมันก็เสื่อมเสื่อมก็ไม่ตกใจนะมันของเสื่อมเพราะตรงนี้ยังเป็นโลกี ย, ยานอยู่ยานนะไม่ใช่ฌานเป็นโลกี ย, ยานใจมันเข้าไปถึงความเป็นกลาง ดีแล้วแล้วมันก็เห็นรูปเห็นนามนั้นเคลื่อนไหวทํางานไปในจิตใจที่เป็นกลางใช่ใช่ทําไมบังคับอยากดีเนี่ยค่อยๆลงวิเคราะ์ลงไปทําไมอยากดีเพราะว่ายึดว่าจิตเป็นตัวเราอยากจะให้ใครดีอ่ะอยากจะให้เราดีใช่ไหมเลยลึกลงไปถึงที่สุดแนละ้วก็คือตัวความไม่รู้ น, นั่นเอง ควาไม่รู้ว่าจิตนี้ไม่ใช่เราหรอกจิตเป็นทุกข์เป็นธาตุเป็นขันธ์อะไรเงี้ยจิตก็เป็นธาตุนะวิญญาณธาตุมโนธาตุอะไรเงี้ยเป็นขันธ์วิญญาณขันธ์วุฒิทำอะไรพูฒ ต, ต้องเลิกพยายามนะถ้าลืมเรื่องปฏิบัติได้นะจะดีกว่านี้เข้าใจถึงถึงนะแต่ไม่ใช่เหลวไหลไปเลยนะ แต่ดูไปร่างกายมันเคลื่อนไหวดูเหมือนคนอื่นเคลื่อนไหวจิตใจมันโลบโกดลงขึ้นมาเห็นเหมือนเห็นคนอื่นโลบโกรลงรู้จักใจลอยอยังวิ๊กกนะับบิ๊เป็นไงบุ้ดลือไปแล้วรู้สึกไหมเนี่ยเริ่มบังคับอีกแล้วรู้สึกไหมเราต้องเห็นตอนที่พอเราเผลอๆไปนะพอรู้สึกขึ้นมาอย่าเริ่มบังคับคอยรู้ทันเลย เอาใครจะส่งกันบ้านเกินมีใครไม่เคยมาไหมเยอะเนาะแล้วทำไมมาถูกอะเคยฝึกกรรมฐานอะไรนะฝึกต่อไปถ้ากรรมฐานเดิมของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจนะฝึกต่อไปได้แต่ถ้าเป็นกรรมฐานที่เพ่งเพ่งเพ่งไปเพ่งอะไรพวกนั้นนะก็อย่าไปเล่นเลย กรรมฐานพวกนั้นไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราถ้าพวกเราคนไหนเคยทํากรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจก็ทําต่อไปเช่นบางคนหายใจเข้าหายใจออกหายใจต่อไปหายใจนานๆอย่าเลิกนะหายใจไปเรื่อยคนไหนขยับมือทําจังหวะแบบตายโลกงพ่เทียนก็ทําต่อไปคนไหนดูท้องฟองยุบ ก, ก็ดูต่อไปคนไหนยกเท้าย่างเท้าอะไรก็ดูต่อไปนะคนไหนรู้อิริยาบถสี่ก็รู้ต่อไป แต่ว่าเติมลงไปนิดนึงไม่ใช่รู้เพื่อจะรู้ไปเรื่อยๆตามใจชอบหรอกไม่ใช่รู้แบบไล่ทิศทางไม่ใช่รู้เพื่ออยากได้อะไรรู้แล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปเบื้องต้นเราทํากรรมฐานขึ้นสักอันนึ่งนะจะพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องฟองยุ่ก็ได้อะไรก็ได้ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราแล้วก็่อยสังเกตสภาวะของจิตใจเช่นเราพุโทโธพุโทโธเนี่ยใจเราแอบไปคิดแล้วเราก็รู้ทัน พุโทโธพุธโทโธใจเราสงบเข้ามาเราก็รู้ทันพุโทโธแล้วมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เกิดกุศลหรืออกุศลก็คอยรู้ไปคนไหนดูท้องฟองยุบ ก, ก็ดูต่อไปนะและ้วคอยสังเกตสภาวะเวลาที่เราดูท้องฟองยุบบางทีจิตก็หนีไปคิดเราก็รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดดูท้องฟองยุบไปจิตไปเพ่งท้องเรารู้ว่าไปเพ่งท้อง ดูท้องฟังยุบจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ตามที่จิตเขาเป็นหัตรู้สภาวะนะขยับมืออย่างหลวงพเทียนก็ได้นะขยับแล้วจิตหนีไปก็รู้จิตเข้าไปเพ่งมือก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็ค่อยรู้ไปเรื่อยหัตรู้สภาวะไปเมื่อเราจิตเราจําสภาวะได้จิตรู้จักสภาวะเยอะเช่นเสอเป็นอย่างนี้เพ่งเป็นอย่างนี้นะ เป็นสุขเป็นอย่างนี้ทุกเป็นอย่างนี้กุศลอกุศลโลภโกรดหลง like, เป็นอย่างนี้จําได้พอสภาวะมันเกิดสติจะเกิดเองสติจะเกิดเองเราจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจําวันได้การเจริญสติในชีวิตประจําวันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ตรงนี้ชีวิตส่วนใหญ่ของเราไม่ได้อยู่ในวดัดไม่ได้อยู่ตอนเข้าคอร์สเพราะฉะนั้นเราต้องทําสติในชีวิตประจําวันให้ได้ วิธีที่จสติจะเกิดในชีวิตประจําวันทําอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละเบื้องต้นทํากรรมฐานนันหนึ่งแล้วก็ค่อยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆพอจิตมันจับสภาวะแม่นท่านจําได้ว่าเผลอเป็นยังไงเรามาอยู่ในโลกข้างนอกนี่พอมันเผลอปล๊อ ส, าาสติจะเกิดเองนะเพราะฉะนั้นทุกๆวันต้องแบ่งเวลาไว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมหรือว่าปฏิบัติในรูปแบบที่เราเคยทําทําต่อไปทุกวันไม่ละเลยนะถ้าละเลยแล้วจะย่อหยอด ขี้เกียจขี้คลานจิตใจไม่มีกําลังเพราะเราก็อาศัยการทํารูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดูท้องของยุบก็ได้หายใจก็ได้ขยับมือก็ได้อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกายและใจของเราเนี่ยแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆการทําอย่างนี้ก็เหมือนนักมวยนะถึงเขาเป็นแชมป์โลกเขาก็ทุกวันก็ต้องซ้ อ, งอมโชคประสอบมี่คล้ายๆเราโชคประสอบนั่นเองเราหัดโชคตามรูปแบบเพื่อว่าเราจะได้กล้องแกล้ว เวลาชกจริงจะได้คล่องแคล่วไม่ต้องมานั่งนึกว่าต่อไป น, นี้จะชกหรือจะเตะหรือจะต่อยอยังไงนะมันจะอัตโนมัติเราจะฝึกจนสติอัตโนมัติหรืกิเลสแยบมาทางไหนรู้ทันมันทั้งนั้นเลยนะงั้นไม่ทิ้งการทำตามรูปแบบนะไปทําทําต่อไปยกเว้นพวกที่ไปเพ่งเพ่งเอานะนั่งเพ่งไปเพ่งอะไรต่ออะไรเพ่งลูกลกงลูกแก้วอะไรอย่างนี้มันไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจมันยากที่จะกลับมารู้กายรู้ใจตัวเอง กรรมฐานต่างๆที่เกี่ยวกับกายกใจใช้ได้เหมือนกันหมดทุกๆสำนักเลยแต่ส่วนใหญ่ที่พวกเราทำเราจะพลาดแทนที่เราจะคอยรู้กายรู้ใจอย่างที่บอกเนี่ยเพื่อให้รู้จักสภาวะเรากับชอบไปรู้กายรู้ใจเพื่อจะบังคับให้มีสติบนะ้างเช่นพยายามจะไม่ให้เผลอพยายามจ้องดูท้องของยุบจะไม่ให้เผลอเลยเราคิดว่าสติเป็นสิ่งที่สั่งให้เกิดขึ้นได้ไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะ มันคนเดินจงกรมกระแทกเท้าโป้งโป้งโป้งไปเรื่อยกะจะไม่เผลอเป็นไปไม่ได้เลยในขณะที่อยากจะกระแทกเท้านั่นแหละมันเผลอไปเรียบร้อยแล้วเพรางั้นถ้าหัดรู้สภาวะไปตั้งต้นทําแค่นี้พอนะทําไปแล้วสติเกิดเองพอสติเกิดเองเนี่ยจะเห็นเลยร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวจิตใจที่กําลังโลภโกรธห ล, ลงไม่ใช่เราโลภโกรธห ล, ลงอีกแล้วว่างไงวู้ นั่นแหละมันเปิดบอครัไปพยายามนั่นแหละความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลว อ, อยู่ที่นั่นเปิดบอกตั้งแต่เปิดสวนโพแล้วนะประโยคนี้จำได้ไหม ม, ไมันจงใจจงใจจะปฏิบัติอยากจะดีจงใ จ, จปฏิบัติเลยพยายามจะทาก็จากที่ปฏิบัติมาเขารู้สึว่าตัวเองเพราะว่ามีควา ม, วนะมตัม้งใจนะครับเรว่าง มองมีิอยู่อจากจะปฏิบัติครับแล้วก็มีติที่แบบพยายามเกิดแจ้งตัวใ้แบบอยาไปตั้งใจทำก็แะน้ำว่าก็คือปฏิบัติแบบนี้ขอไครับหรือเาต้องสติสติมันยังไม่ได้เกิดขึ้นมาจริงๆนะแล้วเราค่อยๆหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆ ใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้รู้สึกไหมตื่นนอนมาแต่ละวันรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ละเวลาความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเรื่อยๆรู้สึกไหมให้คอยรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆอย่าไปคิดเรื่องปฏิบัติคอยรู้ไปเล่นๆถ้าเราจงใจมากไปกลายไปพยายามบังคับไปมันไม่สติมันจะไม่เกิดแต่ถ้าสติจะเกิดนี่มันเกิดของมันเอง อย่างตอนนี้ใจลอยแว บ, บหนึ่งเมื่อกี้รู้ไหมตอนนี้ลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมลืมกายลืมใจตัวเองเคยฝึกมาแบบไหนเคยฝึกมาแบบฟองยุเอองัอ้ดูฟองยุบไปนะดูท่องฟองยุบต่อไปไม่ต้องเลิกหรอกนะดูท่องฟองยุบแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราแต่ของเราหนีไปคิดก็รู้ใจของเราไปเพ่งก็รู้นะ ใจเราเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยๆแต่เราเอาท้องของยุบเป็นพื้นฐานไว้กรรมาฐานของยุบก็ดีให้สมถะเพราะว่าการปฏิบัติจริงๆอย่างการทําดูท้องของยุบเนี่ยจิตมันพลิกแปลงได้สี่แบบนะแบบที่หนึ่งดูท้องของยุบแล้วใจลอยหรือลืมเนื้อลืมตัวไปเลยเกิเห็นบ้างไหมนะเมื่อเมื่อไปเลยดูท้องของยุบสักพ่าแล้วเผลอๆ ล, ลืมๆไปเลยนะอย่างนี้ใช้ไปได้เลย อี่างนึกรล้ขาดสตินี่แบบที่หนึ่งนะใช้ไม่ได้แบบที่สองเวลาเราดูท้องพองยุกใจของเราไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องเคเป็นไหม น, ห น, นั่นแหละมันจะไปเกาะอยู่ที่ท้องนะอันนั้นได้สมถะมันได้สมถะหรืออย่างเราเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้าใจเราไปเกาะที่เท้ารู้สึกไหมนะการที่เราเข่งอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่อง เป็นหลักของการทําสมถนะงั้นจะเกิดอาการของสมถะเช่นเกิดขนลุกผนพองเกิดตัวลอยเกิดตัวเบาเกิดตัวโครงโคลงอะไรเงี้ยนี่อาการของสมถะทั้งหมดเลยนะนี่เป็นแบบที่ที่สองแบบเราไปเพ่งเพ่งอยู่ที่ท้องเจนกระทั่งใจเรานิ่งอยู่ที่เดียวนะและสมถะแบบที่สามเราดูท้องคองยุบไปเราเห็นว่าท้องที่พองท้องที่ยุบเนี่ย เป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าเคยเป็นบ้างไ้มอันเนี้ยส่วนมากไม่มีส่วนมากจะเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องเลยใจก็จิตใจของเราประท้องเอาไปรวมเป็นอันเดียวกันความจริงแกจะปฏิบัติให้ก้าวหน้าต่อไปเราต้องแยกกายกับใจออกจากกันให้ได้การแยกกายกับใจเรียกว่านามรูปปริเฉ ท, ทยานยังไม่ขึ้นวิปัสนาเลยนะนามรูปปริเฉษยา น, นี่เป็นญาณที่หนึ่งเป็นปัญญาขั้นต้นขั้นที่สุด เบสิกที่สุดนะเพราะนั้นเราต้องหักลงไปเราเห็นท้องมันพองเห็นท้องมันยุบเห็นร่างกายนี้มันหายใจนะแล้วท้องมันกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ใจของเราเป็นแค่คนดูอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเไปทําความรู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าร่างกายที่กําลังพองกําลังยุบอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุที่ใจไปรู้เข้าอย่างนี้เรียกว่าเราเดินมิปัสสนาล้ว เพราะฉั้นจะทำมิตัศสนาด้วยการดูท้องของยุคเนี่ยใจของเราต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเสก่อนอย่าให้ใจกับท้องไปรวมเป็นอันเดียวกันต้องแยกรูปแยกนามคือแยกกายกับใจออกจากกันแล้วเราจะเห็นเลยท้องที่กําลังฟองที่ยุบคือร่างกายทั้งกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่เห็นแล้วว่ากายไม่ใช่เรานะนี่เรียกว่าทํากายญาณุ ป, ปัสสนาโดยรู้ท้องข อ, องยุคท้องของยุคมันก็คือรู้รูป น, นั่นเองรูปของรูปยุค ให้จะเห็นเลยตัวที่ของตัวที่ยุคนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกใจเราอยู่ต่างหากนะจะต้องมีใจตั้งมั่นอยู่ต่างหากอยู่ๆถ้าใจของเราไม่ตั้งมั่นพอเนี่ยไปดูท้องข อ, องยุคเนี่ยมันจะไปเพ่งท้องเหมือนใจต้องตั้งมั่นทําไมต้องตั้งมั่นก่อนในคำภีรก็สอนอย่างนั้นนะบอกว่ากายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะหยานิกเหมาะกับกคนเล่นฌานคนเล่นฌานเนี่ยใจมันจะตั้งมั่นขึ้มนมาเป็นคนรู้คนดู วัดป่าเรียกว่าผู้รู้ผู้ดูพอใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูมันจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายที่กำลังพองก็ไม่ใช่เราร่างกายที่กำลังยุบก็ไม่ใช่เราร่างกายที่พองกับร่างกายที่ยุบก็ค น, นละกายกันจะเห็นร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่ ง, ท, งที่นอนนี่คนละตัวกันหมดเลยใจเราจะเห็นเลยรูปมันเกิดดับเกิดดับไปอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนานะด้วยการรู้กาย นี่หลวงพ่อพูดมา3าแบบนะนะรู้ท้องของยุบเ น, นแรกรู้ไปแล้วก็เคล้มเคลิมลืมเนื้อลื ม, ลมตัวนี่ใช้ไม่ได้เลยขาดสติอันที่สองรู้ท้องของยุบแล้วไปเพ่งอยู่ที่ท้องนะอย่า ง, างดีที่สุดได้สมถะอันที่สรู้ท้องของยุบด้วยใจที่ตั้งมั่นจะเห็นเลยท้องที่ฟองยุบหรือร่างกายที่ฟองที่ยุบไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปธรรมที่กําลังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ใจของเราเป็นคนดูอยู่ตัางหานี่เป็นเจริญกายานุปัสสนา แบบที่สี่ดูท้องฟองยุบไปแล้วก็คอยสังเกตสภาวะนะเช่นดูท้องฟองยุบสักพักหนึ่งจิตหนีไปคิดดูท้องฟองยุบไปจิตไปเพ่งท้องดูท้องฟองยุบแล้วจิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเกิดงุหงงจิตเกิดฟุ้งซ่านอนะไรเนี่ยจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังงันหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นการเอาการดูท้องฟองยุบเป็นพื้นฐานเพื่อจะไปดูจิตไปเจริญจิตตานุปัสนาแมนะนะ้ถ้าเราเข้าใจหลักเนี่ยแค่ดูท้องฟองยุบเนะี่ยพลิกแปลงได้สารพัดเลย ไปรู้กายก็ได้นะไปรู้จิตก็ได้ซิกแตงได้เพราะโดยธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกถ้ารู้กายถูกต้องก็รู้จิตถ้ารู้จิตถูกต้องก็รู้กายกายกับจิตมันเนื่องกันอยู่เหมือนเหรียญอันเดียวกันแต่คนละหน้าเท่านั้นเองหยิบขึ้นมาหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งก็ติดมือมาด้วยตอนนี้แอบไปคิดแล้วทราบไหมรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งเนี้ยรู้สึกไหมความรู้สึกตอนเนี้ยมันเหมือนเราตื่นขึ้นมา ตอนนี้เราแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมค่อยๆดูไปนะง่ายถ้าเข้าใจสิ่งที่โลกงพ่อบอกแล้วเหลือสั้นนิดเดียวเลยการปฏิบัติต้องได้ผลนะถ้าปฏิบัติถูกหลักที่พุทธเจ้าสอนส่วนมากเราปฏิบัติถูกหลักที่อาจารย์สอนมากกว่าหรือไม่ก็าปฏิบัติถูกใจตัวเองเช่นดูท้องฟองยุบไปแล้วแหมวันนี้ตัวคลุคงตัวลอยๆตัวเบาๆแหถูกใจเราเอง หรือบางทีปฏิบัติแล้วถูกใจอาจารย์แต่ไม่ได้ถูกหลักที่พระพุทธเจ้าบอกงั้นถ้าอยากดูท้องของยุบก็ทําได้หลายแบบนะดูไปแล้วใจเข้าไปเพ่งได้สมถะเราก็รู้ว่าอย่างนี้ก็ทําสมถะไม่เสียหายอะไรได้พักผ่อนนะไม่ใช่เรื่องเสียหายนะเพราะงั้นหลวงพ่อไม่ได้ห้ามนะกรรมฐานอะไรก็ทําได้แบบเดียวกันดูท้องฟ อ, องยุบแล้วใจเราสงบอยู่กับท้องรู้ท้องไปเรื่อยได้สมถะ หรือท้องพองยุบแล้วเห็นว่ากายนี่มันเคลื่อนไหวไปใจเป็นคนดูนี่ขึ้นนีปรั ส, สนาในการดูกายหรือท้องพองยุบแล้วจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็ น, นกุศลอกุศลก็รู้เนี่ยทำมิปรั ส, สนาในการดูจิตเลยเอาท้องพองยุบเป็นพื้นฐานแม้กรรมฐานอื่นคนอื่นทํ า, ทาทกรรมฐานอย่างอื่นก็ใช้หลักอันเดียวกันนี้ได้นะเช่นคนไหนหัดหายใจหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยนะหายใจแล้วก็เคลิม้มเนนักหายใจส่วนมากนะเกือบร้อยหลายร้อยคือนักเคลิ้มน่อ หายใจแล้วเคลิ้มง่ายหายใจแล้วเคลิ้มนี่ไม่ได้อะไรเลยได้แต่โมหะได้แต่ความขี้เกียจขี้คลั่งฝึกนี้ใส่ไม่ค่อยจะดีฝึกนี้ใส่ลืมเนืน้อลืมตัวอันที่สองหายใจแล้วจิตเข้าไปสงบอยู่กับลมหายใจได้สมถะอันที่สามหายใจไปแล้วเห็นว่าร่างกายที่กําลังหายใจอยู่นี่เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าก า, ายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่หายใจไปแล้วเห็นเลยไอตัวที่กําลังหายใจอยู่เนี้รูปมันเคลื่อนไหว ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราหายใจแล้วจะเป็นรูปมินเคลื่อนไหวนี่ทำวิปั ส, สนาในการรู้กายละหรือหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้นี่หายใจเพื่อจะมาดูจิตนะไปเจริญจิตตาทุปั ส, สนาดังนั้นแค่หายใจก็ทํากรรมฐานได้หลายแบบนะขยับมืออย่างหลวงพ่อเจียนก็เหมือนกันขยับแล้วใจลอยนี่ไม่ได้อะไรเลยเหลวไหลขยับแล้วก็ไปเพ่งใส่มือได้สมถะนะ ขยับแล้วเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอยู่นีต่ตัวนี้ไม่มีน้ำหนักอย่างที่นีเห็นนะไม่มีน้ำหนักในใจเราไม่มีน้ำหนักเห็นแต่รูปมันเคลื่อนไหวเราจะรู้เลยรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราอันนี้คือเจริญนิปปัตสนาด้วยการรู้กายนะถ้าขยับไปแล้วใจลอยก็รู้ใจไปเพ่งมือก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้นี่ทำนิปปัตสนาด้วยการรู้จิตแห ล, นะละแม้กรรมฐานอะไรก็ได้นะเหมือนเหมือนกันหมดแหละ ถ้าทำถูกหลักก็ถูกเหมือนกันทำผิดก็ผิดเหมือนกันส่วนใหญ่ที่ทำเนะีชอบไปทำเอาเคลิ้มนะไม่รู้ทำไมชอบเคลิมหนะ้าชอบเคลิมเคลิมมันสบายดีนะปฏิบัติแบบคนติดยาปฏนะิบัติกนะ็เหมือนคนติดยานะครึ่งหลับครึ่งตื่นไปเรื่อยว่ามีความสุขบางคนชอบเปิดเทปนะสมัยก่อนใช้เทปเดี๋ยนี้ใช้ซีดีชักลาบากลนะ ก่อนใช้เทปแล้วเปิดไว้แล้วก็นั่งสมาธี่ไปนะหลับไปงอกแงกงอแงะ ก, งกระเทปดีดปุ้งขึ้นมาตื่นแล้วแม่วันนี้ภาวนาดีจิตสงบนะโตวเป็นนอนจะดีกว่าเนาะคอไม่เครียดแต่มายุคนี้ลำบากแล้วดีดเนี่ยหลวงพ่อเทศได้โตรุ่งเลยไหมเปิดแล้วมันไม่มันไม่ปิดนะกว่าจะรู้สึกอีกทีหนึ่งเช้าแล้วคอเครียดไปแล้วนะทาเพื่อให้รู้สึกตัวนะอย่าลืมนืลืมตัว ใจลอยแล้วรู้สึกไหมใจไหลแว บ, บไปอะ่ะน่นไงหลวงพ่อถึงบอกไงว่าสติจริงๆมันยังไม่เกิดหรอกต้อค่อยๆอดทนบ้านอยู่ที่ไหน เ, น <c oughs> เออมาฟังหลวงพ่อนะบ่อยๆหน่อยค่อยๆมาช่วงแรกๆฟังพอได้หลักแล้วคุณมีได้หลักก็นานๆมาทีหนึ่งอาจารย์สุรวัตรนี่เดือนหนึ่งมาห น, หนึ่ง มีหลักแล้วไม่เป็นไรใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมอ่ะส่งไมค์ไปแม่ห่วงเพื่อนจะส่งไมค์ให้เขาลืมตัวเองไ้มเออกระดูดเองเลยลองวันไปดูคือนอนก็ดูไม่ได้นะครับเนี่ยก็ไม่ดูเหรอเอางี้สิวันไหนขยันก็ดูนะวันไหนขี้เกียจก็ดู ไม่ชัดไม่เป็นไรอย่าอยากให้ชัดนะเราต้องใช้หลักที่หลวงพ่อชาสอนนะขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติขนะี้เกียจปฏิบัติยังไงขี้เกียจปฏิบัติโดยรู้ว่าตอนนี้กําลังขี้เกียจอยู่นี่ปฏิบัติเสร็จแล้วนะ<ม>เห็นเลยความขี้เกียจเป็นสิ่งที่แปลกปลอบเข้ามาในใจเราตอนนี้แอบไปคิดแล้วทราบไหมบังคับใจให้นิ่งคื่อๆแล้วทราบไหมเห็นไหมถ้าไม่หลงไปคิดก็บังคับไว้เห็นไหมมีสองงานเท่านะั้นที่ผิด ถ้าเรียนสองอันที่ผิดได้นะต่อไปจะถูกเองเมื่อไหรไม่ทําผิดเมื่อนั้นถูกเองเนียใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมบังคับอีกแล้วทราบไหมเห็นไหมสุดตรงอยู่สองอันอะ่ะเบี่ยงไปเบี่ยงมาเนี่ยทําอะไรอยู่ตอนเนี้ยเพ่งอยู่ถูกต้องนั่นแหละบังคับไว้ล่ะนะทําไมต้องเพ่งทําไมถึงจะเพ่งละ่ะบอกหลวงพ่อได้ไหม ไม่อยากเหลอเห็นไหมไม่อยากเหลือเป็นกิเลสนะนะไม่อยากเหลอไม่อยากให้สภาวะของความเหลอเกิดขึ้นมีวิภวตัณหานะเห็นไหมกำลังทาตามตัณหาสั่งเป็นลูกน้องตัณหานะไม่ใช่ลูกติดพระพุทธเจ้าเอาอีกแล้วรู้สึกไหมดีแล้วเพราะว่าใจมันเคยมเคยเพ่งมันจะเพ่งนะใจมันเคยเหลอมันก็จะเหลอ ใจก็เหมือนวัวเหมือนไกวยนะวัวไกวเรียนจากครูบาอาจารย์อิสานเนี่ยท่านชอบเรียบเหมือนวัวเหมือนไกวแล้วหลวงพ่อจําแม่นเลยเวลาท่านสอนเนี่ยวัวไกวเราเลี้ยงไว้ทุกวันนะแล้วก็ตกเย็นต้อนเข้าครอบวันไหนลืมต้อนนะมันก็เข้าเองนะจิตของเราเหมือนกันเราเคย น, น้อมที่จะทำอย่างเงี้ยหลวงพ่อทําให้คุณดูนะทำหน้าให้คุณดูนะว่าคุณชอบทําเนี่ย ถึดไหมมันแกล้งทำนะถ้าเราทำเป็นชินนี่นะพอคิดถึงปฏิบัติปุ๊บมันจะทำอย่างนี้เลยนะรู้ไหมทำปากจูแล้วเออเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อทำไมต้องหัวเราะดังขนาด น, นั้นขำไหม เ, เมื่อกี้ตัวไหนหัวเราะกายหัวเราะหรือใจหัวเราะอันไหนหัวเราะก่อนเด็ยังตอบถูกเลย อ้าวตบมือให้เด็กนิดหน่อยถ้ากลยว่ารอบก่อนนี่นะเรียกละมือแล medi, ้วนี่โตขึ้นถ้าจะเป็นนักกรรมฐานใหญ่เลยเขินไปแล้วเขินแล้วรู้ไหมว่าเขินว่าไงหนุ่มน้นอ่ะเราแหละที่ถือไม่อยู่ มีอะไรเปล่าดูออกไหว่าบังคับอยู่ อ, อ, อะไรนะออกม่เออเพราะงั้นต้องมาฟังเรื่อยๆนะหรือไม่ก็พี่เกียรนั่งรถมาเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะแจกครีแต่ฟังแล้วคอยสังเกตตัวเองไปจริงๆแล้วสิ่งที่หลวงพ่อเทศครั้งเดียวเนี้ยฟังไปเรื่อยๆก็พอแล้วเพราะหลวงพ่อเทศตั้งแต่เบื้องต้นจนเบื้องปลายทุกๆุกครั้งอทุกวันอ่ะ น, นะพูดเหมือนกันทุกวันอนะ่ะ แต่ว่าพวกเราฟังเนี่ยความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนกันวันนี้เราฟังเราก็เข้าใจแบบนี้วันต่อไปเราพาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วมาฟังใหม่เราก็เข้าใจไปอีกแบบหนึง่งอ่ะส่งใหม่ไปข้างหลังอ่าตอนนี้ใจมันชอบน้อมเข้าหาความนิ่งนะงั้นพยายามเดินไว้นะอย่านั่ง เคลื่อนไหวไว้ทำกรรมฐานที่เคลื่อนไหวไหอย่าขี้เกียจนะยังหนุ่มอยู่ขยันเดินไหมเดี๋ยวแกแล้วเดินไม่ไหวเพราะงั้นยังหนุ่มหน่มเนียน่ยมันมีแรงภาวนานะรีบทําลพอดีใจด้วยก็คุณเด็กเด็กเข้าวัดคือเวลาอมีผมจะเหยียเลยนการเป็นตักงแต่วันจุกจะแข็้อมันเะทํวามปคิใช้เวลาทากรรมฐานต้องเนกับาเยความคิดนะครับคือเหมืนราพยาย บาีมันต้องอยำเ่างใี้มันอยู่ไปยุปัญษาทำโครงการตัวเราทำเล่นๆอย่าทาจริงแต่มีเรื่องไปที่คืออุบาเนั้นเคยรแล้ว่ที่บว่าความอยากมันมักเเป็นมาแล้วพอบอกให้ความอยางคื อ, อ, อ, ค, อคือไม่ใช่คือเบื้องต้นมันต้องอยากนะอยากก่อนแล้วเราก็ลงมือทาสิ่งโน้นสิ่งนี้ แต่ถ้าเมื่อไหรส่สติปัญญาเรารู้ทันความอยากเนี่ยนะความปรุงแต่งก็จะขาดไปเลยเบื้องต้นก็อาศัยความอยากนั่นแหล ะ, ะอย่างที่พระนรินสอ น, นบอกอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาอาศัยมานะเพื่อละมานะนะมานะเช่นเราเห็นครูบาอาจารย์ท่านภาวนาดีดูมีความตุกเราอยากได้อย่างท่านบ้างนะนะมีอย่างเรียกว่ามานะเราก็คือหันมาศึกษาปฏิบัติธรรม นี่ศึกษาปฏิบัติธรรมเราควรจะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีแล้วจะปฏิบัติง่ายจะปฏิบัติราบรื่นไม่เหนื่อยมากนะหรืออาศัยตันหาเพื่อละตันหาต้องอยากปฏิบัติก่อนถ้าไม่อยากปฏิบัติเลยก็ส่งใจตามโลกไปเลยเอาศัยความอยากปฏิบัติเนี่ยทาให้เราย้อนคอยมาดูกายมาดูใจของตัวเองเมื่อเราดูกายดูใจตัวเองมากเข้ามากเข้ า, า, เ, ขาเราก็จะพบว่ากระทั่งอยากปฏิบัติก็เป็นความปรุงแต่งแล้ว ถ้ารู้ถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะความปรุงแต่งตัวนี้ขาดไปเลยสมัยก่อนหลวงพ่อเคยไปที่วัดป่าแห่งหนึ่งนะตอนเช้าขึ้นมาก็เดินออกมาจากกุติเห็นเก้าอี้หินตัวหนึ่งอยากนั่งคิดว่าตรงนี้ร่มรื่นวันเนี้จะนั่งภาวนาตรงนี้ทั้งวันเลยฉะนั้นนั่งข้างเดินอยู่แถวนี้แหละใต้ต้นไม้เล่าหนึ่งตะโกนข้ามตะน้ํามานะราโมดอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วโหใจมันเห็นปัญหาชัดเลย อยากปฏิบัติก็ตัญหาเหมือนกันนะอเมื่อเรารู้ทันตัญหาเนี่ยคราวนี้เราปฏิบัติไหมปฏิบัตินะแต่ปฏิบัติโดยการที่เรารู้กายรู้ใจไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่ปฏิบัติด้วยมีตัญหานําหน้ามันจะแตกต่างกันถ้าเราปฏิบัติโดยมีตัญหานําหน้าสติจะไม่เกิดสติจะเกิดพร้อมตัญหาไม่ได้หั ด, ห, ดหัดดูต่อไปนะดูไป หลักของวัดป่าเนี่ยควรจะทำสามอันให้ครบอันที่หนึ่งทำความสงบเมื่อใจสงบแล้วมาจากที่เกียรติครูบาอาจารย์ก็สอนให้คิดที่เจรณาคิดเรื่องที่คิดที่นาที่นาเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้จิตใจนี้เคลื่อนไหวไม่ให้ไปติดเฉยพอหัดคิดที่นาเรื่องอะไรที่ปลอดภัยยังหนุ่มๆอย่างนี้คิดที่เจรณากายเราเองปลอดภัยมันไม่ยั่วกิเลสแค่คิดเรื่องสาวเดี๋ยวก็ฝึกไปเป็นพระนะ เป็นชลาวา่าก็ไม่ดีถ้าคิดเรื่องร่างกายของเรานะพอหมดเวลาพุทโธพิจารณากายแล้วถัดจากเนี้ยยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวนะยืนอยู่มีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นรูปมันยืนเดินอยู่นะมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะเห็นกายมันยืนนะ่ไม่ว่าจะยืนจะเดิ น, จ ะ, ดนจะนั่งจะนอนจะต้องมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูเคยได้ยินคําว่าจิตผู้รู้ไหมอือ เราอย่าทิ้งจิตผู้รู้นะคอยรู้สึกไปเรื่อยถ้าเราพอเรามีจิตผู้รู้เราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราจะเห็นทันทีนะเราจะเห็นเลยว่าโลภโกรนหลงก็ไม่ใช่จิตของเราด้วยโลภโกรนหลงเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้จิตไปรู้เข้าจิตเป็นผู้รู้นะที่ฝึกมาดีนะใช่ได้เรารู้ว่าเพ่งอะ พอใช้ได้แล้วนะส่วนใหญ่นะไม่รู้ว่าเพ่งแล้วคิดว่าการปฏิบัติจะต้องเพ่งซะด้วยซ้ำไป่ไปอย่างที่มดู้วกทีแล้วอยีคือมัุาอันนี้ไความร่างพิับจ่รว่ากเปิดจรู้ที่มันอยู่ที่ว่าเราต้องการทำอะไร อย่างคำสอนของหลพ่อเนี่ยบอกจิตเสือไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้หลวงพ่อกำลังสอนในขั้นของวิปัสสนานะแต่ในขณะที่จิตฟูงต้านครูบาอาจารย์บอกพุทโทธจีทีนั่นคาสอนในขั้นของสมถะเปนะ็นคนละขั้นกันนะนะเพราะงั้นคําสอนของครูบาอาจารย์ท่านถูกไหมถูกนะแต่ถูกในขั้นสมถะนะถ้าจะตัดจากนั้นจะทํำยังไงนะเคยได้ยินครูบาอาจารย์สอนไหมบอกบางคนนะทําสมาธิ จิตตั้งมั่นแล้วก็เลิกเลยหลวงพ่อพูดบอกนักปฏิบัติชอบทาแบบเนี้ยตกค่านะทำสมาธิไปจิตสงบแล้วก็นอนไปนะพอตื่นนอนฟุ้งซ่านใหม่อีกละทั้งคาิมีอยู่แค่นี้เองสงบแล้วฟุ้งซ่านไม่ยอมเจริญปัญญาเพราะฉนั้นเมื่อจิตใจเราสงบตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วต้องมาเจริญปนะัญญาปัญญาเนี่ยรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันอาจารย์มหาบัวสรหลวงพ่อมาแต่ก่อนนะ การปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรมากให้มีสติเนี่ยรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันนี่ในขั้นปัญจเลิศปัญญานะส่วนใหญ่เราไปติดอยู่ในขั้นสมถากันหมดเราไม่ยอมเรียนต่อเราคิดว่าทําสมถามากๆแล้วจะเกิดปัญญาไม่เกิดนะคนละเรื่องกันเหมือนนอนเยอะๆเนี่ยจะรวยไหมไม่รวยนะต้องทํามาหากินนะอยากเกิดปัญญาต้องทําวิปัสนาอยากสงบก็ทําสมถะแต่ว่าเราก็ต้องทําทั้งสมถะและวิปัสนา ยามใดที่ใจเราฟุ้งซ่านดูกายดูใจตัวเองไม่ออกทําสมถะไว้ยามใดที่ใจของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วต้องเจริญปัญญาต้องมาคอยรู้กายต้องมาคอยรู้ใจไม่ใช่ไปเอาสงบรูปเดียวงั้นคำสอนนี่มันมีหลายหลา ย, หลายระดับนะหลายขั้นเบื้องต้นที่ครูบาอาจารย์สอนก็ถูกแล้วแต่เมื่อใจเราตั้งมั่นแล้วต้องเจริญปัญญาล้วมาคอยรู้กายรู้ใจใจลอยไปแล้วทราบไหม ใจแอบไปคิดแล้วเนี่ยเข้าไปกวานหามันแล้วรู้สึกไหมเหตนี้ารเาจีนี่บามันรู้รู้จิตไม่ได้รู้กายไปนะรู้ไหมไอ้ตัวนี้พยักหน้าเมื่อกี้เนี่ยแนะเอาสักอันหน้ากายก็ได้จิตก็ได้นะค่อยๆดูไปนะอย่าให้เกินกายออกไปนะการปฏิบัตินะ รู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่จิตจะให้เกิดกายออกไปเกิดกายออกไปมันเกิดคําว่าตัวเราออกไปล้เราเรียนรู้เพื่อให้เห็นว่าตัวเราจริงๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับจิตนี่เองเมื่อเราเรียนรู้อยู่ที่กายจะรู้ความจริงว่ากายไม่ใช่เราเรียนรู้อยู่ที่จิตจะรู้ว่าจิตไม่ใช่เรานะเบื้องต้นเอาอะไรก่อนก็ได้รู้กายไปก็ได้เนี่ยเห็นไหมกายมันวางไมโครโฟนลงไปละรู้สึกไหมมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดู ค่อยๆตรงนี้ฟังหลวข้่อให้ดีนิดนึงนะแล้วมันจะต่อได้กายเคลื่อนไหวนะใจเป็นคนดูอย่าตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยขยับปากแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมไอ้ปากมันขยับใจเป็นคนดูมันคือมันจะมีความ จบกลุกม่มไปได้เดินเยอะๆนะเดินไปแล้วเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะเดินไปอย่างเงี้ยเห็นกายมันเดินใจเป็นคนดูถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะพอเรารู้กายแกม แ, แจ้งเนี่ยจิตมันจะดีดขึ้นมารู้จิตเองหละไปทำเมานะาทำเมาอ้าวคนนี้ เออเอ อ, เ อ, อดีแล้วที่เห็นรู้ไปได้่ ร, รู้สึกไหมเราบังคับมันไม่ได้นั่นแหละรู้สึกแปทั้งกายทั้งใจนี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกะร่างกายก็เป็นแค่วัตถุเห็นไหมกายที่มันยกเท้าย่างเท้าเนี่ยมันถูกใจเราดูกายกับใจแยกกันนะใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเดิ น, นเออเห็นร่างกายมันเคลื่อนไปไม่ใช่ตัวเราเคลื่อนนะ ส่วนความรู้สึกทางใจก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนเข้ามาแล้วก็เคลื่อนออกไปเหมือนกันใจเราก็ไปรู้มันนั่นแหละหัดไปอย่างนั้นนะดีแล้วอ่าอ่านั่นสมาธิเยอะไปนิดนึงสมาธิลึกไปพอเวลาอะไรกระทบนิดเดียวจะรุนแรงกว่าความเป็นจริง การวิปัสสนาจริงๆอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละเช่นได้ยินเสียงเพลงนี้เพราะนะใจเกิดชอบขึ้นมารู้ว่าชอบเสียงเพลงไม่เป็นธนูแทงหูหรอกนะได้ยินเขาดา่านะใจมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธใจธรรมดานี่เองอั น, นั้นสมาธิเยอะไปพอสมาธิเยอะไปนะมันอะไรๆมันจะเป็นความรู้สึกที่รุนแรงเกินความเป็นจริง ก็ให้รู้ท่ันว่าใจเราเข้าไปติดสมถะติดสมาธินะเพราะงั้นแสดงว่าเราไปเพ่งกายมากเกินไปแล้วที่เราไปดูเท้าอ่ะเราเพ่งมากไปก็ เ, เพ่งมากสมาธิเกิดสมาธิเกิดพออะไรมากระทบจะรุนแรงกว่าความเป็นจริงเวลาเวลากลับบ้านเขาจะขี้โมโหกว่าความเป็นจริงด้วยยิ่งทําแต่ความสงบมากอารมณ์ก็ร้ายมากอะเพื่อเกี่ยวคนสุดท้ายก็แล้วกัน นนนนก็คลรู้สึกว่าชบว็หลงนก็ิมันมางลเรื่องของมันอย่างไม่ใช่เรื่องของเรานะ <c ười> ทำไมช่วงหลังๆมันหลงหลงรื้ไหมเมื่อก่อนเราภาวนาไม่เป็นมันหลงทั้งวันแต่เราไม่รู้แต่หักนะ พอเราภาวนาเปลี่ยนใจมันหลง แ, บบแลวบเราก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาเราก็รู้นะเพราะฉน้นถ้าเราภาวนาเป็ียนเราจะเห็นกิเลสเกิดบ่อยนะกิเลสเกิดทั้งวันเลยถ้าเราภาวนาไม่เปลี่นเรารู้สึกกิเลสไม่ค่อยมีเราเป็นคนดีคนดีพอภาวนาเปลี่ยนจะรู้เลยหาผู้ร้ายทั้งคนไม่ต้องไปหาไกลเลยรู้สึกไหมกิเลสเยอะเออของคุณยังติดสมาธิอยู่นิดนึงประคองไว้นิดหนึ่งรู้สึกไหมยังแข็งแข็งอยู่นิดนึ่งนะ น, นั่นแหละส่วนเกินอ่ะ ไม่ต้องแก้นะให้รู้เฉยๆเดีย๋ยวจะอยากแก้นั่นใจลอยแล้วเด็กเสื้อเขียวเนี่ยแ ก, แก่อีกแล้วพิ่งไบอกหยอกๆว่าไม่แก้ <c oughs> <c oughs> ให้รู้ตามความเป็นจริงขึ้นดูว่าเราต้องการอะไรถ้าเราจะทําสมถะนะจิตไม่สงบต้องแก้ไขให้สงบจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่มีความสุขทําให้มีความสุขนี่สมถนะ ดีแล้วสงบแล้วสุขแล้วต้องรักษาส่วนมิปัสฉนาไม่แก้ไม่รักษาไม่สร้างอะไรทั้งสิ้นรู้กายรู้ใจจากความเป็นจริงเช่นระ่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกใจเป็นคนดูอยู่ต่างห่างจิตใจเคลื่อนไหวเราก็คอยรู้สึกแต่ไม่ใช่รู้แบบแข็งเพ่งๆนะติดเพ่งมากไป เ่อนนาเหมือนว่ามันมียางัอย่างเที่คุณไปแล้วมันก็แบบ้นจออ่อนีที่นอมจามแต่ถ้าเนือ่อนาะไปา่อ่เื่อไนมอไม่ผิดหรอกนะจริงๆมันไม่ได้ไปไปมามานะ จิตเมื่อเกิดทางตาก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตเกิดที่ใจก็ดับที่ใจนี่จิตเราไปรู้อารมณ์นะพ them, อเรารู้ทันว่าจิตไปรู้อารมณ์ไม่เกิดจิตดวงใหม่ที่ไปรู้แล้วจิตดวงเก่ามันดับไปแล้วจิตไม่ได้มีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาแต่จิตเนี้ยเกิดดับรวดเร็วจนเรารู้สึกว่ามีดวงเดียวะที่จริงมันวิ่งไปตรงโน้นนะมันไปเกิดที่โน่อนอ่ะแล้วมันก็ดับที่โน่นแล้วมันเกิดจิตที่นีน่แทน นี่การที่ตรงโน้นมันดับแล้วตรงนี้มันเกิดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเคลื่อนนึกถึงภาพการ์ตูนได้ไหมตัวการ์ตูนมันเป็นรูปอยู่ตรงนี้รูปหนึ่งรูปอยู่ตรงนี้รูปหนึ่งสอนะงรูปนี้ไม่ได้เชื่อมต่ออะไรกันหรอกนะแต่พอมันมาฉายติดต่อกันนะเรารู้สึกว่ามันเคลื่อนจิตนี้ก็เหมือนกันรู้สึกว่าเคลื่อนได้จริงๆไม่ได้เคลื่อนหรอกจิตเกิดตไหนก็ดับตรงนั้นนั่นแหละ น้านะอย่างนั้นเรานั่นแหละนั่นแหละนะอย่างนั้นเราเห็นรูปมันเกิดดับนะเราเห็นรูปมันเกิดดับรูปอันนี้เกิดแล้วก็ดับไปมีรูปอันนี้เกิดขึ้นแทนมีรูปอันนี้อ่าจะรู้สึกเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่คนอื่นไม่เห็นก็อย่าไปหานะไม่ต้องรีบบอกเดี๋ยวเพียนมันเห็นเองก็ราสติเราไปรึบเข้าพอดีนะแต่ไม่เห็นก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องหานะไม่ต้องหานั่นเป็นเองนั่นเป็นเององทนขณเร่นหนึ่้อค่แล้วอีกอาการนของของข้านนี้มันจะเป็นเชิงแค่ใช้แค่ว่ามันเป็นจุดปริษฐที่มันข<อ>ึ้นมาในที่นีแล้วภายใน น, น, ในัน้นจะได้เกิดวิธีการใช่เป็ถูกต้องแล้วคือการปฏิบัติเนี่ยพอถึงขั้นละเอียด เ, เราจะเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคาว่าสิ่งบางสิ่งคือซ้ำจริงไม่รู้ว่าอะไร ไม่ว่าคืออะไรเพราะอะไรเพราะยังไม่มีความสำคัญมั่นหมายยังไม่ได้สมมุติบัญญัติลงไปแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็งอกขึ้นมาแล้วมันก็แปรได้เพราะฉนะนะันะ้นการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดนั้นเหลือยิบยับยิบยับนิดเดียว อ่าดูกระดูกดิบแต่ว่าเราเลือกไม่ได้อทําไมทไมําไมเรารู้สึกว่าเคลื่อนกลับหรือไหมเพราะว่าพอเรารู้ว่าหลงเนี่ยเรากลัวหลงเราไม่อยากหลงเราไปดึงมันพอไปดึงมันกลับมาเนี่ยมันเลยอึดอัดถ้าไม่ดึงไม่อึด อ, อัดหรอกเราไปคิดว่าจิตมีดวงเดียวพอหนีไปเลยจะเอาคืนมันก็เลยอึดอัดติกนึกออกแล้วใช่ไหมจิตหลงไปเป็นอกุศลจิตรู้ว่าหลงเนี่ยเป็นกุศล จิต อ, อยากจะเอาคืนเป็นอกุศลตัวใหมนะ่แล้วก็ไปดึงมาจิตเลยเป็นความทุกข์ขึ้นมาออภาวนาแล้วต่แปมดีเหลือแต่ยิบยับยิบยับนิดเดียว